หนึ่งร้อยหกระลึกอดีตอนาคตที่มิฉาทิฐิก็มีแต่ฝันสัญญากับปัญญาเรียกว่าความรู้เหมือนกันแต่แตกต่างกันมากโดยเฉพาะเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานหรือปรมัธธรรมดังนั้นการระลึกอดีต เมจะระลึกได้ความจำเดิมจริงหรือจะนึกตรึกกาหนดเอาอะไรขึ้นมาใหม่ก็ตามถ้าเป็นผู้สัมมาทิชิก็จะสําคัญในปัจจุบันว่าปัจจุบันนั้นเรากำลังเห็นอดีตที่เป็นของจริงเดิมหรือกำลังฝันได้ของใหม่ขึ้นมาก็เท่านั้น และของเดิมนั้นหรือกําลังได้ของใหม่นี้แม้จะเป็นของเดิมหรือของใหม่แต่เป็นความจริงคือสัจธรรมหรือเปล่าสัจธรรมที่ยังไม่ได้ล้วนเป็นความจริงที่อยู่ในอนาคตทั้งนั้นซึ่งก็คือความจริงที่เราอยากได้ที่เรากําลังฝันอยู่นั่นเอง อนาคตจึงคือฝันทั้งสิ้นไม่มีอนาคตใดคือความจริงเลยภาวะใหม่ที่กำลังเห็นกำลังรู้ขึ้นมาอยู่นี้มันคือภาวะอนาคตหรือภาวะอดีตของเก่าเรากำลังเห็นอดีอดตหรืออนาคตกันแน่ทั้งอดีตและอนาคตที่ยังไม่ใช่ความจริงสัจธรรม ก็มีแต่ฝันแต่ถ้าภาวะที่กำลังเห็นกำลังได้รู้ขึ้นมานั้นมันยังไม่ใช่สัจธรรมยังไม่ใช่ความจริงมันก็ล้วนคือกำลังฝันทั้งนั้นเพราะปฏิบัติไม่มีผัสสะภายนอกที่เป็นปัจจุบันเลยมีแต่สัญญากำหนดหมายขึ้นมาในใจเท่านั้น แม้จะเป็นปัจจุบันที่ผู้นั้นหลับตาปฏิบัติเข้าไปอยู่ในะวังย่อมมีแต่สัญญาเป็นต้นนั้นนั่นยังไม่ใช่ปัญญาภาวะเช่นนั้นจึงไม่เห็นความจริงเป็นของแท้ตามสัจจะที่มีทางสมมติสัจจะและทางปรมัตถรย์สัจจะ